เมื่อใช้คนไปฆ่าไม่สำเร็จพระเทวทัตจึงเตรียมลงมือเองคือขึ้นไปอยู่บนเขาคิดสกูดคอยกลิ้งก้อนหินใหญ่ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้าแต่ไม่สมประสงค์เพียงสเก็ดหินที่แตกมากระทบพระบาทห่อพระโลหิตเท่านั้นภิกษุทั้งหลายพากันเป็นห่วงจึงมาอยู่ยามเป้าแหนงพระพุทธเจ้าท่องบ่นด้วยเสียงอันดัง